ขอความสุขความเจริญจงมีแลิท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงทําจากมหาวิทยาลัยศรีปทุกมกำลังนําเสนอประวัติของพระสารีบุตรโดยเฉพาะก็เน้นไปที่สุขภาพศิลคือคำกล่าวของท่านก็ได้พูดมาตั้งแต่ข้อเกรกว่า จนเวลานี้ก็มาอยู่ที่ข้อ 1,014 ก็จุดจะจบแล้วออลักษณะข้อความในข้อ 1,014 เป็นการพูดโดยมีตัวแทนบุคคลแต่ว่าที่จริงก็แสดงสภาวะของคุณธรรม ที่บังเกิดขึ้นภายในใจใครก็ได้เมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะออกมาในลักษณะอย่างเดียวกันแล้วออกมาในลักษณะนั้นและจนเข้าถึงความสมบูรณ์ในที่นี้ก็เป็นการสะท้อนมาจากพระสารีบุตรเทระก็ถือว่าเป็นตัวอย่าง สามารถมองผ่านจากพระสารีบุตรไปหาพระอรหันต์รูปอื่นได้แต่แน่นอนพระสารีบุตรท่านเป็นระดูระดับมหาอักสาวกก็เป็นผู้เลิศทางปัญญาปัญญาจะยิ่งย่อนกว่าเพราะว่าบารมีที่สร้างส่งบุบรมมานั้นก็ยิ่งย่อนกว่ากัน ถ้าเราเทียบแล้วทำนองคนที่เดินไปด้วยกันก็ถึงจุดหมายปลายทางใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่ว่าก็ห่างกันมากบ้างน้อยบ้างเพียงแต่ว่าทุกคนก็ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันศาสนิบูตกับพระหานทั้งหลายท่านก็มีลักษณะอย่างนั้นคือในที่สุดก็บรรลุมรคนเป็นพระหันด้วยกันแต่ว่า ก็มีความยิ่งหย่อนแตกต่างกันอยู่ในพระคาถานี้ท่านกล่าวว่าเป็นผู้บรรลุปัญญาบารมีทมแล้วมีปัญญามากเป็นนักปราชญ์ผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นคนเขา จะมองเหมือนคนเขาเป็นผู้ดับสนิทแล้วท่องเชี่ยวไปอยู่ทุกเมื่อก็เป็นการสะท้อนถึงผลที่เกิดขึ้นแก่พระหลานมีต์พระสารีบุตรเป็นต้นและจากนั้นก็เป็นการพูดถึงอาการของพระเทราชีปรากฏแก่สายตาคนทั้งหลาย ดังนั้นก็แสดงถึงบกติภาพของท่านาการใช้ชีวิตขนาดที่ยังดำรงชีวิตอยู่ก็แบ่งเป็นสามช่วงประการแรกคือบันลุปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือการเก็บการสะสมความดี ได้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นภายในจิตใจเรียกว่าการเก็บการสะสมความดีท่านก็เรียกว่าบารมีถ้าเราเทียบแล้วลักษณะคล้ายๆกับเราหยดน้ำใสสะอาดลงไปในน้ำที่ขุนข่น้นมันก็หยดไปเรด้วย ในตอนแรกก็ยังขุนอยู่แต่เมื่อปริมาณน้ำใสเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นความขุนค้คนก็จางลงจางลงจางลงพอถึงจุดหนึ่งพุทธกรก็ตกก้นพัชนะน้ำข้างบนขอสะอาดสามารถบริโภคได้สามารถดื่มได้ ตอถึงจุดหนึ่งก็เราก็เพิ่มปริมาณสูงขึ้นจนสลายความขุ่นข้นนั้นได้หมดน้ำนั้นเราก็ดื่มได้จนหมดภาชนะปัจจใจของประหานทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นทุกครั้งที่มีปัญญาเพิ่มขึ้นเนี่ย กิเลสทั้งราคาทั้งโลภะทั้งโทสะทั้งโมหะก็ลดลงแต่ว่าลดใหญ่เนี่ยคือลดที่ปัญญาราคาโลภะโทสะโมหะราคาโลภะโทสะมันเป็นกิ่งก้านสาขาที่มาจากอาวิชชาการเพิ่มของปัญญาก็คือการลดทองลงของอวิชชา ปัญญาเพิ่มมากเท่าไรอวิชาก็ลดลงเท่านั้นเพราะแนวทางในการพัฒนาปัญญาเราจึงพบส่งแสดงไว้โดยวิธีการต่างๆเป็นจันนมากเช่นว่าปัญญาย่อมเกิดขึ้นจากการประกอบหาเกิดขึ้นจากการไม่ประกอบไม่ แต่ว่าการประกอบปัญญาในฐานะที่เป็นบารมีมันก็ประกอบมาเรื่อยๆแหละในสังสารวัตรปัญญาอนานนเราเพิ่มปริมาณปัญญาขึ้นมาเรื่อยๆในสังสารวัตรก็ทำจิตใจให้ประณีตขึ้นทากรรมให้ประนีตขึ้นทำชาติให้ประณีตขึ้นทำาพเป็นประณีตขึ้น เ่ินประวัติในตอนต้นๆของพระสาดิบุตรได้พูดถึงการเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิพูดถึงการเป็นเท้าสกะเทวรรชพูดถึงการเป็นประชาชในหลายๆชาติบางชาติก็เป็นฤๅษีเป็นมหาฤๅษี คือแสดงว่าปริมาณกองปัญญาของท่านเพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้นนี่โลกทัศน์มันจะชัดเจนแจ่มใสขึ้นที่เราเห็นในชัดก็คือโลผ้าราคาโทสะนี้มันลดพอจะโบดเป็นฤษีก็แสดงว่าไม่ต้องการตอบสนองความกำหนัดที่บังเกิดขึ้น แล้วไม่โลภไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติแล้วก็จเจริญเมตตาภาวนาก็าไม่โกรธไม่เกลียดใครก็แสดงว่าภูมิจิตของท่านประณีตขึ้นกรรมของท่านก็ประณีตขึ้นพบคือสังขารพบปริมาณบุญบาปคือบุญมันสูงขึ้น แล้วพบที่ท่านอุบัติก็ประนีขึ้นที่ท่านบอกไว้ในตอนตอน้ตนๆที่เราได้พูดกันมาเราจะเห็นว่าคือแสดงว่าท่านเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ธรรมดาเนี่ยมีน้อยก็เป็นพรามเป็นเศรษฐีเป็นพระราชาเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเป็นเทวดาหรือทสก a เทวราช ก็หมุนวนกันอยู่อย่างนั้นนั่นก็คือผลของการพัฒนาปัญญาแล้วปัญญานี้มันก็เป็นปัญญาประเภทที่เรียกว่าสัาติกะปัญญาคือปัญญาที่ติดตัวมาโดยกำเนิดทําหน้าที่เป็นชนกกรรมคือนาท่านให้อุบัติ ในพระคันของพระเทวีที่ต่อไปจะได้เป็นประ j a จัาจากรพรรดิต่อไปจะเป็นเท้าสกัดเทวราชต่อไปจะเป็นพระราชาต่อไปจะเป็นเสร็จีต่อไปจะเป็นห้าพรามต่อไปจะเป็นฤุษีอะไรเนี่ยพลัง ป, ปัญญาในลักษณะ น, น, นี้ก็เกิดขึ้นจากการประกอบประธรรม แต่ว่าประกอบกระทาในรูปของบา ร, รมีพอแต่เรามองดูในเรื่องช่วงของกรรมของการให้ผลของกรรมปัญญาทรรมหน้าที่เป็นชนกกรรมคือนำให้เกิดในกำเนิดที่ดีแล้วปัญญานั่นเอง ก็ทาหน้าที่เป็นอุปธรรมประกะกับคือข้าสนับสนุนให้เจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นก็แน่นอนชีวิตของท่านก็อาจจะขึ้นขึ้นลงลงอยู่ก็คงจะมีอกุศลบาปรธรรมมาเบียนมาตัดรอนแต่บางทีก็มีบา ร, รมีขนาดใหญ่ ไล่มันตามแล้วก็แสงให้ผลไปเลยนล้นก็หมายความว่ามันเหมือนกับบุคคลสี่ประเภทอะประเภทนี้ก็เรียกว่าสว่างมาแล้วก็สว่างไปแต่บางครั้งก็อาจจะมืดมาแต่สว่างไปส่วนใหญ่ก็สว่างมาสว่างไป ในช่วงต้นก็ดีช่วงกลางก็ดีช่วงปลายก็ดีนะก็แสดงถึงผลของปัญญาบารมีที่สะสมบบกรุมมาในภพชาติก่อนก่อนคือตามปกติที่เราเจอในชาดุกเนี่ยมันเป็นปัญญาภาคบริหารคือหมายความว่าเป็นปัญญาที่ติดตัวมันโดยกำเนิด อย่างยกตัวอย่างที่เราคุ้นค้นคือชาติที่เป็นมโหสถดาบทะมะโหสถเนี่ ย, ยก้อยโยหกเจ็ดขวบท่านก็สามารถพิพากษาตัดสินนักตรกรกะต่างๆได้ถูกต้องชี้ผิดที่ถูกปัญหาได้อย่างถูกต้องยังไม่ได้ผ่านการศึกษาด้วยซ้ำไปนั่นก็แสดงว่าปัญญาที่ติดมาโดยกําเนิดเป็นเด็กอัจฉริยะ ดีพลังเรียกว่ า, วามีผลสวรรค์แต่ที่ทําคัญชาติที่เป็นพระโมสคตถเวลาเกิดเดี๋ยวเขาบอกว่ามียาติดมือมาด้วยแล้วก็พูดได้ด้วยถามแม่ว่ามีใครป่วยบ้างไหมจะบอกให้บอกมาเดี๋ยวจะรักษาให้ ก็แสดงปัญญาของท่านออกมาหลายเรื่องออกมาตั้งแต่เด็กๆ ด, ด้วยส่วนหนึ่งก็เป็นปัญญาที่เกิดกัดจากการศึกษาสำเนียงก็คือปัญญาสามระดับระดับหนึ่งคือการศึกษาเรียนรู้ทางภาษาสัมผัส์ เห็นรูปโดยตาได้ยินเสียงด้วยหูสูดดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องเย็นรสนอนแข็งด้วยกายแล้วก็เจ็บเก็บประสบการณ์เหล่านั้นเอาไว้ภายในใจก็กลายเป็นสัญญาคือความจำมีข้อมูลมากขึ้นก็นํามาคิดมีข้อมูลเพิ่มขึ้นคิดใดเพิ่มขึ้น ก็เกิดปัญญาแจ่มแจ้งในเรื่องเหล่านั้นก็กลายเป็นการรับอารมณ์การจําอารมณ์การคิดอารมณ์การรู้อารมณ์ในเรื่องเดียวกันแต่มันมีความประษี์ขึ้นควางขวางขึ้นลึกซึ้งขึ้นแล้วก็นาเรื่องเหล่านั้นมาคิดจุดกิดเกิดความเข้าใจแตกฉาน แตการจะแตกแานจริงๆจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติจนได้สัมผัสผลด้วยใจหมายความว่าเวลาเรานำไปสื่อสารจากกับบุคคลอื่นนั้นเราสื่อสารด้วยภาษาของใจตีใจเราได้สัมผัสแล้วก็สื่อสารด้วยภาษาใจ พอถึงอยู่จุดหนึ่งในส่วนตัวเองนั้นเป็นผู้ที่มีปัญญารักษาตัวได้มีปัญญาในการบริหารจัดการกับปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็าตามอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกเอาเฉพาะในร่างกายเราในจิตใจก็ได้ในร่างกายก็ได้ คือเราสังเกตว่ามันจะมีเรื่องอยู่สองเรื่องที่มีปัญหาคือปัญหาที่ยังไม่เกิดกับปัญหาที่เกิดแล้วเรามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าชัดเจนว่าต่อไปจะเป็นปัญหาก็ป้องกันเอาไว้แต่คือแพรส ง, งสัยอยู่ ก็พยายามศึกษาหาข้อมูลในด้านต่างๆให้ชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นแล้วก็จัดการป้องกันเสียปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องชัดเจนเรื่องบางเรื่องนี่เราไม่ชัดเจนเช่นเมื่อกี้ก็โรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆนี่เราไม่ใช่หมอ เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปสวดก้อย ห, หมอสวดพอชัดเจนว่ามีอาการของโรคชนิด น, นั้นเกิดขึ้นก็รีบขจัดทีนี้ในการแก้ปัญหานั้นบางทีเนี่ยไม่ต้องหรกเราใช้การบำรุงคือเสริมภูมิต้านทานจากข้างใน ทางโรกกายทางโรคใจนั่นแหละใจก็เสริมสิ่งดีงามขึ้นเสริมอาการคลายความกำหนัดคลายความขัดเคืองคลายความรุ่มหลงคลายความม่วงมัวเมาขึ้นไปในส่วนใ จ, ใจิตใจในส่วนของร่างกายก็อะไรก็ตามที่มันเป็นภูมิทานฐานโรคอย่างดี ก็พยายามเสริมสร้างภูมิรัฐฐานโรคโรคนั้นขึ้นไปแล้วรักษาสุขภาพประลาณาไม่เอาไว้ให้แข็งแรงประเกิดปะทากกาเชื้อโรคมันก็สามารถที่จะเป็นภูมิรัฐฐานโรคโรคนั้นไม่ได้ยในกรณีที่บางทีเราถูกฝนเราถูกแดดร้อนจัดถูกลม แรงๆนะฮะบางคนก็เจ็บไขได้ป่วยบางคนก็ก็ปริก็เปล่าบางกลุ่มก่ อ, อนเปรียกพแรงลงไปบ้างาเพืะอแสดงปัญหาใหญ่มันไม่ได้อยู่ชี่ลงฝนอากาศแต่มันอยู่ชี่ภูมิรัฐฐานข้างในเราคือมีความเข็บแข็งไม่เท่ากันก็ต้องพยายามเสริม อันนี้เป็นปัญญาในการบริหารมีการป้องกันเรื่องที่ควรป้องกันบำบัดเรื่องที่ควรบำบัดบำรุงเรื่องที่ควรบำรุงรักษาเรื่องที่ควรรักษาแต่ตัวหลักจริงๆเนี่ยมันอยู่ชี่การบำรุงพะสิ่งผลที่เกิดขึ้นจากการบํารุงนะจะํามหน้าที่ป้องกันกับํามหน้าที่บำบัดและเรารักษาผลเราดันเอาไว้ สุขภาพปลาณาใหม่เราก็ดีจิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันเราเห็นว่าถ้าเราสร้างปัญญาพัฒนาปัญญาขึ้นไปจนสามารถบริหารตัวเองได้มีปัญญาคุ้มครองตนรักษาตนได้ในยาของ ไปสัมมิทาสีคือปัญญาที่แตกฉานในเนื้อหาสาระของสิ่งเดียดนหมายความว่ามองอะไรเข้าใจทะลุปโปรง่ปรงก็ถึงแก่นแท้เข้าถึงเนื้อแท้ของสิ่งเดีย้นแล้วก็ สำมาเปสามพิธาคือเข้าใจเรื่องนั้นนั้นองค์ธรรมนั้นๆอย่างยกตัวอย่างว่าเราพูดถึงพรมิหารสี่ประการเนี่ยเราจะมองว่าเมื่อพรมิหารมันเกิดแล้วอะไรมันดับแล้วอะไรที่ดำรงอยู่ภายในจิต ให้เราสังเกตว่าถ้าเมตตามันเกิดโกท้าโทสะในมันจะดับในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณสูงขึ้นปริมาณเมตตามันสูงขึ้นมันไปดับเมตตาในนามแฝงคือคล้ายๆจะเมตตาแต่มันไม่ใช่เมตตานั่นก็คือการราคะ ลักษณะของเมตตากับกรรมมราคเนี่ยมันใกล้เคียงกันมีลักษณะทนุถนอมโอบอุ้งคุ้มครองปกป้องรักษาพิบาลทนุถนอมหวงห่วงอะไรยยดีผูกพันโวยหาอะไรแบบเดียวกันคล้ายคล้ายกันนะไม่ใช่แบบเดียวกันพอเมตตาก็สูงขึ้นเนี่ยเขาจะขจัดความรู้สึกโกรานั้นออกไป อย่างชาติที่ประสาดบุตรท่านออกบวตเป็นฤาษีก็หมายความาันกจัดเรื่องเหล่านี้กาไปหรือห ร, รือตัวอย่างพระพุทธเจ้านยคือเราจะเห็นว่าจุดหนึ่งมเมตตามันกลายเป็นการุณายปกุกรุณามันมีสัตว์ประสบความทุกข์เป็นอารมณ์แล้วรงก็มองสรรพชีวิตเป็นทู่ตกอยู่ในห่วงแห่งความทุกข์คื อ, คอแก่ตาย ทรงปราถนาที่จะช่วยเหลือสัตว์ให้หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แบบตัดรากงาวของความเกิดออกไปวันยังไม่อะไรยินดีในทรัพย์สมบัติในพระเมศสีและในพระโอรสในพระราชวงศ์ทั้งหลายเพราะถ้าเหา่านั้นก็ทุกข์เหมือนกันแต่ว่าคนอื่นมันทุกข์มากกว่าประคุณมันมากกว่า ในสุดรงก็สเสด็จออกและนิสัยแบบนี้เราจะเห็นว่าพอพระสาดีบุตรตอนเล่าประวัติที่ท่านออกบุตเนี่ยเราเห็นได้ชัดมากคือปัญญาท่านสว่างสวยลุกโงงเรียนจบใจเพศเวททางคศาสตร์อิติหาสาอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยเร็วเร็วมากในเวลายังหนุ่มเนี่ยก็จบละ ในขณะเดียวกันสถานะทางครอบครัวนี่นะักแน่นมั่นคงมีทรัพย์สินเงินทองทั้งทรัพย์สินและเงินทองนะฮะรวมแล้วตั้งหกร้อยห้าสิบกดมากจริงๆเป็นพรหมหาศาลคือรวยมหาศาลจริงๆเป็นของครอบครัวนะฮะคือไม่ใช่คนเดียว แล้วถึงจุดหนึ่งมันก็ไหลไปตามกระแสของการมาราคะก็ดูการแสดงชุดชมสนุกสนานด้วยสาวสันทีไรรำหรือวิธีการาต่างๆแต่ในขณะที่การดูดูดอยู่เที่ยวดูอยู่ในระยะหนึ่งปัญญาก็ผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้นผุดขึ้ น, น, นเริ่มคิด เตื่งคิดพิจารณามันก็เห็นแนวเดียวกับพระพุทธเจ้าว่านนที่ทั้งพูดดูทั้งพูดแสดงมันก็แก่แก่แล้วก็เจ็บเจ็บแล้วก็ตายหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้เอาอะไรไปไม่ได้การแสวงหาความสนุกสนานในลักษณะนี้รไร้ค่าไม่เกิดสาระประโยชน์อะไร บางคนจะใช้ชีวิตที่ดีขึ้นไปกว่านั้นพอดีขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยมันทิ้งสมบัติโลกหมดนะทรัพย์จริงคารหก0ห้าสิบโกดทิ้งครอบครัวชิ้งทิ้งหมดไม่เอาอะไรแม้แต่วอร์ที่เขาหามท่านมาดูมรสบก็ทิ้งให้บริวาร น, นำไปคืนครอบครัว และท่านก็มีผ้าขาวสองผืนนั่นเองบวชในสำนักของสัญชัยปริพาชกมันก็คิดแบบพระพุทธเจ้าอีกอ่ะพระเจ้าจรตอนอยู่ในสำนักของอาลาดาวบดก า, าลามโคตรมันก็คิดแบบ น, นั้นน่ยก็มองเห็นว่าและที่คําสอนของสัญชัยปริพาชกนี่มันไร้สาระมันเกิดสาระประโยชน์อะไร ให้มีแกนสารอะไรเสียเวลาที่เสียสละก็ตั้งใจสแสวงหาใหม่และใสุดที่สำคัญอย่างยิ่งคือปัญญาของท่านในวินิจฉัยคนจากอาการได้ดูยากนะฮะดูคนนี่ดูยากก็เรียกว่าโครู้คนรู้หน้าไม่รู้ใจแต่พอเห็นพระอาติชิ ป, ปับในท่านวินิจฉัยทันทีเลย เพระท่านผู้นี้มีความสงบลึกๆอยู่ข้างในจากกิยาการที่ท่านเดินมิถบาทธรรมดาแต่ท่านมองทะลุเข้าถึงข้างในใจห่าใจมีความสงบอยู่ข้างในมีปัญญาสว่างสวยรุ่งเรืองอยู่ข้างในจนถึงวินิจฉัยว่าจะต้องเป็นพระอราหันต์รูปใดรูปหนึ่งหรืออย่างน้อยก็เป็นสาวกของพระอรนรูปใดรูปหนึ่ง ปักใจไปเลยเชื่อมั่นไปเลยแล้วก็เดินตามหลังไปด้วยความเครพนะคบคือไม่กล้าเข้าไปชวนคุยในขณะที่ท่านเดินมิบาบโดยฐานบิณฑบาตได้อาหารมาแล้วไปตั้งฉันในริมฐานน้ำตอนนั้นก็พระสงค์เพิ่งเกิดขึ้นมายังไม่เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายหรอก ท่านก็ไปปฏิบัติวัดถากโดยวิธีการาต่างๆเสร็จแล้วก็แสดงความรู้สึกของท่านพระราชีั้งกาเล่าให้ฟังท่านเป็นใครมาจากไหนเป็นสาวกของใครอุปติสาปริพาชกหรือสาธุบุตรในขณะนั้นก็ขอให้ท่านช่วยแสดงธรรมโดยย่อให้ฟัง สารที่ท่านแสดงแค่สองบรรทัดเท่า น, นั้นเองแต่ด้วยปัญญาบารมีที่ท่านสร้างสมบมบรณมาเนี่ยมันแหลมคมลึกซึ้งมากนะคือคาถาสองบรรทัดเวลานี้เราก็ไม่เคยกล้าอธิบายกันเพราะมันหมายถึงดวงตาที่เห็นธรรมอย่างน้อยคนที่เห็นอย่างนั้นต้องเป็นมุนสอุรบัน เขาบอกว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุประตาฐากดเจ้าส่งแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นประมาสมาณะมีปกติสัตย์อย่างนี้ก็หมายความมาทุกข์ก็เกิดมาจากเหตุนิโรธก็เกิดมาจากเหตุเมื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ ก็ปฏิบัติในตามเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นเหตุให้ทุกข์มันดับก็หมายความแสดงอริยสัจสีนั่นแหละเจ้าย่อมากสารีบุตรฟังแล้วก็บรรลุมรผลเป็นพระหันเลยนี่คืออะไรคือปัญญาบารมีภาคชี่เขาถึงอัตะแล้วก็ถึงพยัญชนะ เรียว่าอัฏฐไปสัมพิทาธรรมะไปสัมพิทาอัฏฐไปสัมพิทานิรุตติไปสัมพิทาปัญญาแตกสานในภาษาก็าอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจะรู้ภาษาเหมือนกันแล้วก็คือภาษาที่คุณรู้กันแล้วนั่นแหละเวลาจะสั่งสอนก็สั่งสอนด้วยภาษา ที่คนรู้ความหมายอยู่แล้วแต่ว่ามาันิยามใหม่บางทีก็ไม่ต้องนิยามใหม่บางทีก็นิยามใหม่บางทีก็ตีกรอบใหม่เช่นวันีโรดมันเป็นศาสตาที่มีอยู่เดิมวิโ ม, มกมันก็เป็นภาษาที่มีอยู่เดิมนิพพานก็เป็นภาษาที่มีอยู่เดิมเวลาพระพุทธเจ้านำมาใช้ก็ทรงนิยามตีกรอบเท่ไหม่ เพื่อเข้าใจตรงกันด้านคํากล่าวนี่ยเราทำทั้งหลายหมายความมาทั้งที่เป็นรูปธรรม ท, ทั้งเป็นนามมาทำนะคําบคำว่าทำทั้งหลายเนี่ยหมายความมาทั้งรูปธรรมและ ท, นะทั้งนามมาทำมันก็เกิดมา็นจารึกอย่างทุกข์นี่เราจะเห็นว่ามันมีทั้งทุกข์กายแล้วก็ทุกข์ใจหมายความเป็นทั้งรูปธรรมและนา ม, มาธรรม แกเรงทุกข์คือสมุทัยนั้นก็เป็นนามนธรรมแต่บางทีมันก็เป็นรูปธรรมนะฮะเป็นรูปธรรมเจตว่าการเกิดของสมุทัยเนี่ยเราเย็นว่าเกิดจากยัตตนาภายในยัตตนาภายนอกอยัตตนาภายในภายนอกในห้าข้อแรกก็เป็นรูปธรรมก่อสุดท้ายก็เป็นนามนธรรมแล้วเกิดจากวิญญาณหก เวย ญ, ญาโนกคือสิ่งที่เรารู้ด้วยตาเป็นต้นเนี่ยมันก็เป็นรูปธรรมแต่ตัวรู้เนี่ยเป็นนา ม, รรมธรรมจิตที่ทำหน้าที่รู้เป็นนามธรรมสัมผัสอกก็เหมือนกันห้าข้อแรกสิ่งที่เราสัมผัสนั้นเป็นรูปธรรมตัวสัมผัสเองเป็นนามธรรมเวทนาหก เวทนา6มันก็มีทั้งกายทั้งใจหมายความมีทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมสัญญาหกสิ่งที่เราจำนั้นเป็นรูปธรรมสิ่งที่ทำหน้าที่จำเป็นนามธรรมสัญเจตนาคือความจงใจการยนตึกนกก็เป็นรูปธรรมกับนามธรรมคือสรุปแล้วนะฮะสรุปแล้วว่าเป็นทั้งรูปธรรมแล้วก็นามธรรมนิโรธเองเป็นนามธรรม แต่ว่าจิตที่ปล่อยวางสิ่งที่ถูกจิตปล่อยวางมันเป็นรูปธรรมคือเป็นขันมีรู ป, ปรขันเป็นต้นนะฮะเน้นที่ตัวรู ป, ปรขันมากนั้นแน่นอนเป็นนามธรรมแต่ว่าสัแดงอาการที่เป็นรูปธรรมออกมาได้สัมมาวาจารสมากรมรมตะสมาชีวะเนี่ยแสดงอาการที่เป็นรูปธรรมได้ กอสรุปรวมแล้วก็คือรูปธรรมกับนามธรรมาปัญญาท่านทะลุปลูก ป, ปุงโดยการฟังแค่สองมทัดท่านั้นเองแล้วก็บรรลุมรคผลเป็นเบโสดาบันไปปันญท่านยึงบอกว่ามีปัญญามากนอกจากแตกฉานในพยัญชนะในอัถิแล้วยังแตกฉันในภาษาภาษานี่เป็นเรื่องใหญ่ คือหมายความว่าถ้าเราไม่เก่งในด้านภาษาเนี่ยมันเป็นอุปสรรคในการไปไหนมาไหนในการติดต่อในการสื่อสารแม้จะผ่านด่านก็ยุ่งอย่างในยุคสมัยปัจจุบันในอย่างน้อยก็ได้สักภาษาสองภาษาก็ดีแล้วแต่ถ้าเราไม่รู้ภาษาอะไรเลยนอกจากภาษาตัวเองเราจะไปไหนมาไหนลำบากก็ต้องมีล่ามติดตัวอยู่ตลอด แล้วก็ปัญญาที่แตกสารในไว้พริบปฏิพานหนความมาถามปั๊บตอบปุ๊บเลยมีไว้พริบปฏิพานที่จะอาธิบายที่จะชี้แจงเรื่องเหล่านั้นให้ผู้ฟังเกิดความเข้าใจประรัติบุตรมีลักษณะอย่างนั้นก็เรียกว่ามีปัญญามาก มีนางปริภาชิกาคนคนหนึ่งนะองค์หนึ่งท่านหนึ่งนะชื่อว่าคุณทนเกษีแกแตกฉานในคำปริศนาธรรมเนี่ยอุชาวิสัจนาคือคำถามคำตอบถึงพันคาถาเรียนมาจากพ่อห้าห้าร้อยเดียนจากแม่ห้าร้อย เรียกว่าชมพูทีกาทีปาในการต่อมาก็ประกาศตัวเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในชมพูทวีบถือริงว่าไปในที่ต่างๆก็ปักกิ่งว่าลงท้าทายว่าใครคิดจะโต้วาท่ากระท่านก็ให้มาถอนกิ่งว่านั้นคนก็กลัวกันหมดไม่กล้าทียงกันนะ่ะ ครั้หนึ่งไปที่สาวถีไปปักไว้ที่คองสายอย่างนียเด็กก็มายืนล้อมกันวิพากษ์วิจารณ์กันแต่ว่าไม่กล้าถอนนะปะสาริบุตรเดินไปก็สอบถามเด็กว่าเป็นเรื่องอะไรเด็กก็เรียนถวายให้ทราบปสาริบุตรบอกว่าถ้างั้นเธอถอนขึ้นมาเด็กบอกไม่กล้าถอนถอนเถอฉันจะตอบเอง ให้เธอถอนเด็กก็ถอนขึ้นมานางชุมพิกานางชุมภูกา ก, าก็มาถึงก็สอบถามรู้ว่าภาษาริบุตรสั่งให้ถอนก็อก้ามไปเลยไปถึงก็ภาษาริบุตรบอกว่าเอาเธอถามมาก่อนก็แล้วกันถามหมดทั้งพันนะฮะถามหมดทั้งพันตอบเร็วเร็วมากถามปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปับบปบมป๊บตอบปุ๊บเลย พันข้อนั่งช้ำภุกการเงือตกเลยหมดภูมิที่จะหมดคำถามนะครับเราแก่ท่องมาตอนนั้นเองคือสมัยโบราณจะนิยมท่องมาอย่างนั้นเอยคือถ้าหากว่าใครรู้ไม่ถึงคือไม่แตกสานในเรื่องนั้นมามันก็ตอบไม่ได้เพราะว่ามันมีทั้งคำถามและคำตอบอยู่ในตัว แต่ตอบไม่ทรงคาตอบเขาก็ถือว่าผิดแต่ที่ ถ, ถูกเป็นยังไงก็ถูกก็ตามคำตอบของเขาก็เป็นเรื่องความเชื่อนะฮะเป็นเรื่องความเห็นของคนเรานะแล้วในที่สุดเมื่อหมดภูมิแล้วภาษาริบุตรก็ขอถามคำเดียวว่าเอากางนา ม, มากิ่งอะไรชื่อว่าหนึ่งตอบไม่ได้ พรใดพระเติมไม่เคยเรียนมาฤืษอก็ยอมจำนดแล้วขวากตัวเป็นลูกศิษย์ของพระเทราพระเทราก็นำไปให้บวชเป็นภิกษุณีต่อมาท่านบุนี้ก็บรรลุมรผลเป็นพระหานะครับชื่อว่าพระกุญธนเกสีเป็นชื่อที่เกิดขึ้นจากนิมิต ในการตอนที่ท่านบวชเป็นปริภาจิกาเนี่ยก็ถอนผมท่านด้วยเสี้ยนตาเลยผมมันก็ร้อแรมแหลมากดูไม่เรียบร้อยเรียกกุลทนเกสีผมไม่ยอมยอมนี่ก็แสดงว่าปัญญาท่านภาษาธิบุตรนีเรียกว่าไม่มีใครไม่มีติดคาถามใครหรอก เพียงแต่กราบกับพระพุทธเจ้าในท่านเคารบทื่อถูดมากแม้แต่ท่านคิดแล้วก็ถูกแล้วที่ท่านคิดท่านปริวิตกท่านปรารภเนีมันถูกแล้วแต่ท่านต้องการจะให้พระพุทธเจ้ายืนยันให้ว่ามันถูกก็มากราบเรียนในทรงทราบว่าข้าพระองค์ได้ปรารภอย่างนี้ได้ดำริอย่างนี้ได้คิดอย่างนี้ แต่ตัดสินไปว่าอย่างนี้นะความจริงเป็นยังไงพระเจ้ารับสั่งว่าความจริงก็อย่างที่เธอดำดิน่นั่นแหละบางทีพูเจ้าก็ทรงแสดงซ้ำให้บางที ก, สงสงงทก็ไม่สแสดงก็สแสดงว่าปัญญาใกล้เคียงกับพระพฤติเจ้าก็ใกล้เคียง แบบสาวกกับศาสดานะฮะไม่ใช่ว่าใกล้เคียงกันมากๆหรอกใกล้เคียงอย่างสาวกกับศาสดาเพราะนันก็เป็นนักปราชถนผู้ใหญ่ที่รองลงมารององค์เดียวนะฮะรองในพระพุทธศาสนาที่รององเดียวนันเด่นคือพระพุทธเจ้าคนอื่นท่้ก็เหนือยกเว้นพระพุทธเจ้าไว้ทั้งก็เหนือกว่า อริยสาวกทั้งหลายไม่ต้องพูดคนทั่วไปหรอกท่านเหนือกว่าอริยสาวกทั้งหลายเพราะท่านจะไม่ใช่คนเขาแต่ว่าพระอราหันต์ในท่านส ง, งบยุดลึกอยู่ข้างในท่านรู้ตัวท่านว่าท่านเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้ารู้ว่าท่านเป็นพระอรหันต์พระโมคคัลลารู้ว่าเป็นพระอรหันต์แต่คนทั่วไปก็ไม่รู้ ะหารมันอยู่ที่จิตมันอยู่ที่จิตไม่ได้อยู่ที่อาการทางกายทางวาจาทางใจอาการทางกายทางวาจาแต่อยู่อาการของจิตเราจะเห็นว่าหักกมแหงสังสารจักรมันก็เป็นอาการของจิตไกลจากกิเลสก็เป็นอาการของจิตไม่ทำบาปไม่พูดบาปไม่คิดบาปก็เป็นอาการของจิตเป็นผู้ที่ควรไหว้ควรบูชาก็เป็นคุณภาพของจิต เพื่นจะดูแล้วก็คล้ายๆกับท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นคนเข่าวแต่มองเหมือนกับคนเข่าวเพราะไม่คุยโม้โอวดไม่แสดงวาทกรรมโบหัอะไรออกมาที่ทําให้คนเกิดความตื่นเต้นความสนใจว่าท่านเป็นพระหันที่มีปัญญามากเนี่ยคือไม่ได้แสดงอะไรพระอรหันต์ก็อย่า ง, ง น, นั้นแหะไม่มีอะไรที่จะอวด ถึงข่าวแสดงก็แสดงพระองค์ยังถูกดูหมิดนเนี่ยทำไปไม่ไม่น่าจะเทพได้พระองค์นี้ไม่น่าจะเทศได้ที่พระเทระรูปหนึ่งท่านเวลาใครทำบุญจะไหว้ท่านจะทำอะไรก็ไม่รู้ว่าท่านบอกว่าขอให้มีความสุขแล้วก็มีอายุยืนสองคำนั้น น, นี่เวลาเราพระพุทธเจ้าไปเยี่ยม ก็บอกให้ท่านอนุโมทนาแก่ญาติโยบญาติโยบบอกโอ้อนุโมทนาอะไรพระคุณเจ้าของนิชฉันนะพูดได้สองคำนั้นนั่นเองไม่มีความรู้อะไรหรอกพระเจ้าบอกเอาเทศไปให้มีความสุขกับให้มีอายุยืนเนี่ยท่านแสดงโดยพิสด า, เ า, เารเป็นชั่วชั่วโมงนะยังแต่าก่อนนั้นท่านไม่เคยอธิบาย อธิบายขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาเป็นชุดชุบบุกก็หมายความว่าไม่แสดงอาการฉลาดอะไรออกมาคนมองบางคนก็อาจจะดูมิด น, นึงดูบิดแต่ว่ามีความลึกซึ้งมากใกา้ๆความลึกของหมาสมุทรสุดจะอย่างรู้ได้ แต่ดูข้างบนมันก็เรียบๆอ่ะก็ไม่น่าจะตื่นเต้นอะไรแต่๋ยวลึกซึ้งมากเปลญพระหานทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นเ่องบอกว่าเป็นผู้ดับสนิทแล้วคำว่าดับสนิทก็คือดับพวกกิเลสทั้งหลายเนี่ยดับอวิชชาตัณหาอุตาทานตัวหลักอวิชชาตัณหาอวตาราเนี่ยก็ดับสนิท ดับโดยไม่มีเชือ้อหมายความว่าใครจะมีอะไรมากระตุน้นอย่างไงก็ตามมันดับสนิทไม่มีทั้งยินดียินร้ายอย่างที่ท่านยกไว้ในคาถาก่อนว่าเหมือนกันนาะเหมือนกับไฟนะเหมือนกับแผ่นดินไม่ยินดีทั้งเหม็นทั้งหอมทั้งสิ่งโสกปรุกทั้งสิ่งสีสอาดสักทั้งการบูชาทั้งการ ดูถูกดูหมิ่นอะไรเนี่ยไม่ยินดียินร้ายทั้งนั้นแล้วก็บอกว่าท่องเที่ยวไปอยู่ทุกเมื่อคำวมาท่องเที่ยวไปอยู่ทุกเมื่อเนี่ยหมายถึงว่าในชีวิตหลังจากนั้นของท่านเนี่ยท่านก็เที่ยวจาริกไปปปะพูดคุยสั่งสอนแนะนำชักชวนประชาชนให้ตั้งตนอยู่ในความดีเร็วเข้าหาประชาชน สํานวนปัจจุบันก็เรียกว่าข้อปัจจุบันนะ่ยแต่าการขายสินค้าก็เรียกว่าไปเล็กเซนขายตรงกันเลยเห็นองปณิสัยของใครปรากฏดีเด่นชัดขึ้นมาอยู่ในวิสัยที่จะรู้ทําจะเข้าใจทําได้ท่านก็ไปพบหาคนเหล่านั้นเดี๋ยวก็สแสดงธรรมสั่งสอนธรรมประกาศธรรม ตามพื้นฐานวาสนาบา ร, รมีที่คนเหล่านั้นจะรู้จะเข้าใจได้นี่ก็เป็นคุณสมบัติอีกข้อนหนึ่งแต่เราจะเห็นว่าใช้ประสาดิบุตรนั้นเป็นตัวสะท้อนสะท้อนบา ร, รมีออกมาอย่าลืมมาคุณสมบัติเหล่านี้มีอยู่ในพระหันทั้งหลายแต่ว่ายิ่งหย่อนแตกต่างกันนะเพราะว่าเน้นที่ตัวปัญญาเป็นหลักแต่ว่าการดับสนิทก็ดี การท่องเที่ยวอยู่ทุกเมื่อก็ดีหรือว่ามองเหมือนคนเขาก็ดีเนี่ยมันก็เป็นที่ทั่วไปไม่มีการลำพองไม่มีอาการพยองไม่มีอาการโอ้อวดอะไรคือไม่ทําตัวให้เป็นเป็นที่น่าสนใจกับคนทั้งหลายนอกจากคนที่มีปัญญาคิดเัาเองวินิจฉัยเัาเอง ต้องฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมาวิทยาลัยศ ร, รีวิทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอองามไพบูยรในธรรมจงมีได้ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี